น, นี้พูดต้งวันแต่ก็อยากบอกอยากสอนความทิดความจริงเพราะว่าเวลาเหลือน้อยแล้วจะไม่พูดพุ่มพวยภาษาพุ่มพวยให้หมันตรงๆเข้าไปดามันหลงลู้มันหลงกับความลู้ พลร่มพอดีเหมือ น, นหน้ามือหลังมือมั น, นทุกข์รูกไม่ทุกข์มันโกรธไม่โกรธปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติออกจากทุกข์แล้วเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ตรงที่สุดเป็นข้าแรกของ เดินทางออกจากทุกข์อรหังเป็นผู้ไกลจากทุกข์ก็คือหลงเป็นลูกไม่ทุกข์มันโกรธเป็นไม่โกรธเป็นทุกข์เป็นไม่ทุกข์ถ้าทุกข์เป็นทุกข์เป็นปุถุชนแต่ห่มผ้าจีวร อ, อยู่เรียกว่าปุถุชนถ้ามันหลงเป็นหลงเป็นปุถุชนเ็นมันหลงเป็นมนุษย์ ไม่เป็นผู้หลงเป็นพระเห็นมันมันทุกข์เป็นปุรุชนเห็นมันทุกข์เป็นมนุษย์เป็นมากสงกลัวความทุกข์เป็นทุกข์เห็นมันทุกข์มันสงกลัวสงกลัวความทุกข์มนุษย์มัดแก่ไปสูงสง่าเห็นทุกข์เห็นมากไม่ทุกข์ เป็นผลมักผลได้น้อยถ้าโกรธเป็นผู้โกรธเป็นปุรุชชนเห็นเหมือนโกรธเป็นบ้าไม่เป็นผู้โกรธเป็นผลตรงกันข้ามทุกอย่างเป็นมักเป็นผลไปเลยปฏิบัติได้ให้ผลได้เราจะเห็นตัวเราเป็นลักษณะแบบไหน อยู่กันอย่างไรชีวิตของเรามันอยู่กับความกระทำกับวการฝึกตนทนทนไม่เกี่ยวกับเพศกับว้เกี่ยวกับปฏิเนกายอย่างนี้ชื่อตรงไม่ลับไม่ลี้นึกซึ่งนึกซึ่งลองดูก็ได้เดินเถอนะลองดู ฐนะคนเป็นคนมาเป็นมนุษย์เราควมมนุษย์เป็นพระแต่เนี้คือดูมันทุกเห็นมันทุกดูมันผลเป็นผู้ไม่ทุกเห็นมันทุกไม่เป็นทุกความทุกเห็นมันโกรธไม่เป็นโกรธผู้โกรธเห็นมักเป็นผลอยู่ตรงนี้ไม่รีบไม่รับ ข้าขายเข้าอริมักเจริญสติปัฏฐานนะ่ะมีสติเลาความชั่วทันทีมีสติทําความดีทันทีมีสติจิตบริสุทธ์ทันทีไม่ต้องไปรอไม่ได้รอเสี้ยววินาทีเดียวนีสติก็เป็นการรักษาศีล ศจะเกิดได้เขามีสติเป็นหน้าลอบไม่เผอเรียกว่าอหยียบบุคคลก็ได้โยคะวจนก็ได้พร ะ, ระขี่นาศ ก, ก็ได้พระขี่นาศกเป็นผู้มีติเป็นหน้าลอบมีสติเป็นศีลมีสติเป็นวิ น, นัย นี่เลยว่าขีณาสุขไม่ใช่ตั้งกัารลอยๆมันหลงมันรู้มันสุกมันทุกข์รู้หมดอต่ที่เรามีสติมันยากเห็นมันยากมันง่ายเห็นมันง่ายมันผิดเห็นมันผิดมันถูกเห็นมันถูกมันสงบเห็นมันสงบมันไม่สงบเห็นมันไม่สงบ ไม่เป็นอะไรกับอะไรพอมีสติก็เป็นกลางไปทันทีถ้าไม่เกิดความเป็นกลางไม่ีความเป็นกลางก็ไม่ความเป็นธรรมเกิดขึ้นขณะปฏิบัติลู่จูกตัวมมากไม่หลงเป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติเมื่อไม่หลงนานวันนิสีมากขึ้นเป็นธรรมดาวมหลงน้อยลง อกติมากขึ้นเนื่อควา ม, มหลงน้อยหลองคมมุงไม่มีโอกาสไ้่ไปเหยื่อสุขไม่มีรสชาติทุกข์ไม่มีรสชาติดีใจเสียใจไม่มีรสชาติยินดียินร้ยนายมมามไม่มีรสชาติเมื่อไม่มีรสชาตินั่นก็หัวแท้งได้เหมือนข้าวเปลือกที่เจ็บไปไหนฉางไม่ได้กินไม่ได้อายทน ไม่ได้สัมผัสกับความชื้นไม่ได้สัมผัสกับอากาศเก็บไว้ปีสองปีเอาไปบาดไม่เกิดหมดเชื่อเราก็ไม่ได้ปล่อยให้มันสุขไม่ปล่อยให้มันทุกเวลามันอะไรก็รู้ด้วยป่าคผมรู้สึกตัวเป็นการคุงมกนเหนือของสังขานสังขานคือ บารปรุงวิสังขาญคือไม่ปรุงมีความรู้สึกตัวเป็นเป็นเป็นวิสังขาญคลุงมกำเนิดของชาติเป็นกลุมกำเนิดของชาติชาติคือสุขชาติคือทุกกรมสุขกันทุกเป็นชาติที่เป็นพบเป็นชาติเกิดดับเกิดดับน้ารู้ มันสุขไม่เป็นผู้สุขเห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุขชาติสุขไม่มีมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ชาติแห่งความทุกข์ไม่มีมันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธชาติแห่งความโกรธไม่มีเรียกว่าวัฒตะไม่มีจะเกิดอะไรขึ้นที่สุดลองดูหนึ่งวันที่เจ็ดวันหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งปีเจ็ดปีอย่าไปเชื่อใคร สองผัสเอาการกระทํามีการกระทํะากรรมปสารมันฉกสิทธทันทีทันใดทุกคนทําได้เวลามันหลงทุกคนรู้ได้ไม่หลงก็ได้มีสิทธิเวลามันโกรธทุกคนไม่โกรธได้มีสิทธิไม่โกรธเวลามันทุกมีสิทธิไม่ทุกใ้สิทธิของตัวเองใจสิทธิของตัวเราเอง เป็นดีชละรวมถัดดูแล้วรวมโกรธไม่เป็นธรรมคงไม่โกรธเป็นธรรมรวมหลงไม่เป็นธรรมคงไม่หลงเป็นธรรมรวมทุกข์ไม่เป็นธรรมคงไม่ทุกข์เป็นธรรมรวมสุขไม่เป็นธรรมมันไม่สุขได้เป็นธรรมรวมอะไรต่างๆดีใจเฉื่อใจไม่เป็นธรรมไม่ใช่ที่อยู่ของกิจใจ จะเป็นบ้านของใจคือปกติจิตใจมีบ้านคือปกติถ้าใจไม่มีบ้านกใจก็เถื่อนไปจุกเป็นทุกข์เอาความสุขความทุกข์เกิดจากใจให้ใจพาให้สุกให้ทุกข์พึ่งไม่ได้ถ้าเป็นจิตใจมันไม่เป็นอะไรสุขทุกข์มาทีหลังถ้าเรามีสติ มีจิตีไปนานความโศกเกิดขึ้นตื่นความโศกพรามทุกข์เกิดขึ้นตื่นความทุกข์พุทโธคือตื่นทุกข์ตื่นปัญหาที่เกิดกับกจิตจนเรียกว่าพุทโธว่าภาษ า, บ, า, าบ้านเราพัดโธปรที่นเดียวก็พุทโธตื่นไม่หลับในตรงนี้ไม่อ่อนแอในความอ่อนแอเขื่มแข็งกว่าอ่อนแอ ไม่หลับในความหลับตื่นทั่วในวันหลับเมื่อตื่นเบิกวันในความเศร้าหมองนี่เราฝึกตัวเราเป็นไปได้ตรงๆอย่างนี้พระเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พ่อทธพระธรรมคำสอนอันเป็นไปเพื่อทางออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปัจิพบาน เรีว่าคำสอนคำสอนคือการกระทำไม่ใช่ให้รู้หาดตามคำสอนควารู้สึกตัวก็มีความรู้สึกตั ว, ว, มตวไม่ใช่ไปท่องเอาตอนที่มันหลงก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวได้ทุกกรณีคําว่ารู้สึกตัวไม่มีที่ไม่มีการไม่มีเวลารู้สึกได้ทุกโอกาสในความหลงรู้สึกตัว ในความรู้รู้สึกตัวในความสงบรู้สึกตัวในความผุ้ง่านรู้สึกตัวในความโุกความทุกรู้สึกตัวถ้าเป็นสติปัฏฐานไม่เป็นอะไรกับอะไมาเหนือเหนือมาเหนือเหนือเหนือทุกอย่างเชิเรียกว่ากิตังเมชนะจิตทิศชนะทุกอย่าง ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับกายกับใจสติชงชยะเป็นตัวเฉลยได้ทุกอย่างผ้าก纶แหง่งธรรมเรารู้สึกตัวผู้ใดมีผู้รู้สึกตัวเป็นของผู้นั้นผู้ใดไม่มีก็ไม่เป็นของผู้นั้นเป็นของผู้รู้สึกตัว ผมรู้สึกตัวไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีลัฐทิไม่มีนิกายเป็นความรู้สึกตัวล้นล้วนซื่อๆผมรู้สึกตัวอยู่กับเราเวลานี้ผมรู้สึกตัวอยู่กับพระเจ้าสองพันกว่าปีอันเดียวกันผมรู้สึกตัวอยู่กับคนหนุ่มผมรู้สึกตัวอยู่กับคนแก่ อยู่กับพระสงฆ์อยู่กับาาากาคาะว่ายิโยมอันเดียวกันจึงเป็นสากลแห่งธรรมก็โกรธก็เหมือนกันควไม่โกรธก็เหมือนกันแต่ต่างกันทุกคนหนึง่งโกรธคนหนึ่งไม่โกรธวัตถุอันเดียวกันคนหนึ่งพอใจคนหนึ่งไม่เป็นลาต่างกันตรงนี้เมื่อหดแล้วก็เป็นเหมือนกัน เรานั่งอยู่นี่ถ้ามีสติเป็นคนคนเดียวกันถ้าเราหลงก็เป็นคนเราวคนงันไปถ้ามีสติเป็นคนคนเดียวล้วความชั่วทำความดีขนาดที่มีสติได้ทุกคนอมโมลาสมัยอินเดียเอฟตอนเหนือของประเทศเขาตักรุงเดลีนี่ เด็กเห็นก็นจะมักถามว่ามีสติหรือเปล่ามีสติแล้วมีสติแล้วเห็นการจะถามเรื่องสติเมื่อนเรื่องสติน้าที่สุดถ้าคนหนังพูดหลงคนหนังก็เตือนหลงไปแล้วเพื่อนหลงไปแล้วลองดูซิมันจะเป็นกนรละยานาเมตยิ่งเราอยู่เป็นสองคมพ่อบครัว ลองดูจะเป็นแตงไงเค้มีญาติเขาบอกให้ฟังแม่บ้านโก ด, ดให้ลูกพอบ้านบอกลูกอย่าเข้าไปใกล้นะไม่ใช่แม่นะยักษ์แล้วก็นหนีไปเป็นยักษ์เยวแต่เมื่อไดให้แม่เป็นแม่จะเข้าไปหาแต่แน่ไหมกำลังเป็นยักษ์อยู่ กาไหวฉกลูกหลงได้แม่ดะยินก็ เ, เห็นตัวเองแสดงออกคำพูด ก, ก็ไม่ดีรักษาท่าทางก็ไม่ดีแล้วก็รู้จึกตัวขึ้นาาราเด้ไขได้กทันทีคิดหัวล็อกแทนที่โกชามีเกิดความรักสามีเข้ามาเตือน ไม่ได้เตือนโดยตรงบอกโดโอ้อมนี่คนเขาท้วงกันแบบนี้ถ้าเป็นผัวเป็นเมียเป็นครอบครัวเดียวกันดูแลกันด้วยตั้งสร้างต่อไปอีกผัวเมียกันธรรมด า, าการเป็นกัลยาณมิตรการเป็นกัลยาณมิตรลึกซึ้งผัวเป็นผัวเป็นเมียผัวเมียกันนี่มันขาดง่าย ต่อไปอีกให้มันยาวๆลึกซึ้งก็ไปตัวเจ้าเคยสอนตรงนี้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่สามีเป็นสามีปัญญาเป็นปัญญาญาเป็นน้องสาวสามีเป็นน้องชายปัญญาเป็นพี่สาวสามีเป็นพี่ชายสามีเป็นเพื่อน ปัญญาเป็นเพื่อนสามีเป็นพ่อปัญญาเป็นแม่เรียกได้ทั้งสี่หกห้าองอย่างจะเรียกแม่ก็ได้เพราะเขาเป็นแม่ของลูกเรียกน้องสาวเวลาใดงอยะหมื น, น้องของเราอย่าถือสาหาเรื่องถ้าเห็นปัญญางอยะ เ, เห็นสามีงอยก็ปัญญาเหมือนน้องสาวสามี น, น้องชายเราใหญ่กว่าเขาเราไม่เป็นเหมือนเขาช่วยเขา อะไรเห็นเขาดีกว่าเราเป็นผู้หลอกผู้ใหญ่ก็สามีพี่ชายปัญญาพี่สาวถือว่าพี่สาวเขาดีกว่าเราอะไรเขาช่วยเหลือเป็นเพื er ่อนเขาเจอว่าสามีเพื่อนปัญญาเป็นเพื่อนกันอะไรใดที่เขาดูแลเราหมดลูกเก็บเครื่อดีป่วยชดชี้เยี่ยวย่อมให้ถือว่าสามีเป็นพ่อปัญญาเป็นแม่ก็ได้ เขาก็เป็นแม่ของลูกเรามันลึกซึ้งดีกว่าสามีปัญญาธรรมดาโตก็ไปมันลึกซึ้งก็ไปดูแลกันไปดีจะมีประโยชน์มากถ้าเป็นต้องดูช่วยกันก็ดีหลังจากสมัยเราปฏิบัติก็มีมีร มีเพื่อนเรื่องนี้พระอนนกราบทูลพระเจ้าการทญาณมิตรดีนะหรือว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดพระเจ้าก็ทักท่วง่าไม่แค่นั้นอานุ์อย่าพูดเช่นนั้นเลยกยารทญาณมิตรเป็นที่สุดเป็นทั้งบดของพมาจารย์ ถ้าใครเมตต์กันแล้วมีกันถือว่าเป็นพระวจนะได้ทั้งหมดทั้งหมดของพระวจนะไม่ทุกคนทุกไม่มีปัญหาบริสุทธิ์ทั้งหมดของพระวจนะคือกัลยาณมิตรไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นลึกซึ้งกับญาติญาตสายโลหติตยังมีโอกาสทะเลาะกันได้ถ้าญาติ เป็นญาต่ตอไปด้วยกว่ากัญญาณมิตรเป็นยอดสองตอลึกซึ้งกว่าสายโลหิตคือยอดถ้าเป็นกนารญามิตรแล้วไม่มีทางทะเลาะล่ากันเหมือนญาติธรรมดายติธรรมดาทะเลาะละ่ากันได้ฆ่ากันได้ถ้าเป็นกัญญามิตรเนี่ยไม่มีโอกาสที่ทะเลาะกันได้เช่น ถ้าเราเห็นกายเห็นใจธรรมดามักจะโจรง่ายโกรธง่ายทุกง่ายหลงง่ายเป็นตัวเป็นตนได้ง่ายถ้าเห็นเป็นรูปธรรมนามธรรมโอดไม่ลงหลงไม่หลงทุกไม่ลงเทะเลาะกันไม่ลงเห็นเป็นรูปธรรมนามธรรมแล้วเทะเลาะกันไม่ขึ้นความทุกข์ไม่มีค่าความโกรธไม่มีค่า ถ้าจะโกรธข่มขืนตัวเองถ้าทุกข์ก็ข่มขืนตัวเองทำไม่ลงเอเห็นเป็นรูปทำเห็นเป็นนามทำเห็นความโกรธไม่ใช่ความปวดเป็นอาการเบาๆไม่หนักไม่มีรสชาติเห็นความทุกข์เป็นอาการเกิดกับนามกับรูปก้าเห็นเป็นการเป็นใจเป็นตัวเป็นตนง่ายหลงง่ายถ้าเห็นเป็นรูปทำนามทำไม่ค่อยหลง แล้วก็ไม่เขาทะเลาะ ก, กันทะเลาะ ก, กันไม่ลงเพราะไม่ใชไปเรื่องถูกต้องคนทะเลาะ ก, กันเพราะความหลงคนทะเลาะ ก, กันเพราะความโกรธผู้เห็นรูปทำนามทำแล้วมันหลงก็จะให้หลงเป็นปริยาคมันโกรธจะให้เป็นความโกรธเป็นปริยาคทํามไม่ลงไม่มีรสชาติ ก็ไม่ค่อยทะเลาะกันถ้าเห็นรูปทำนามทำแล้วถ้าทุกเป็นผู้ทุกเป็นเปลียนเป็นลูกเป็นกายเป็นใจถ้าเห็นมันทุกไม่ใช่กายใช่ใจเป็นรูปเป็นนามเป็นอาการมันก็พ่นแปล่นี่ต่างเก่าอย่างนี้วิธีปฏิบัติแบบนี้มันลูไปอย่างนี้มันไม่สู่จางนี้ ที่ได้เห็นกายเห็นใจเคลื่อนไหวอยู่นี้คืออะไรคือกายอันที่มันรูปการเคลื่อนไหวคืออะไรคือใจตอบต่างนี้จอบแบบไม่รับผิดชอบให้เห็นตัวนี้ถ้าตอบตันี้ก็ถูกแบบกมปั้นทุบดินแต่มันไม่ถูกทั้งหมดมันคับแคบถ้าเห็นเป็นรูปเป็นนามมันแตกฉาน มันเต่ฉานไม่จนกว้างใหญ่ไพศาลเห็นทุกไม่ใช่ทุกเป็นนาการที่เกิดขึ้นไม่ใช่ทุกเห็นมันร้อนไม่ใช่ความร้อนเป็นนาการเกิดขึ้นจากรูปจากนามถ้ารูปมันไม่ร้อนไม่หนาวไม่ปวดไม่มีหิวไม่ใช่รูปตอบคุณความร้อนขอบคุณความหนาวขอบคุณความเจ็บปวดถ้าเราไม่เห็นรูปนามเป็นกายใจจะเป็นทุกข์ จะเป็นทุกง่ายร่อนคือกูร่วงเปตัวเป็นตนได้ง่ายถ้เห็นรูปทานามทำแล้วตัวตนลักษณะแบบนี้ไม่มีตัวตนที่เกิดเป็นทุกข์ไม่มีเห็นแต่เป็นอาการธรรมชาติธรรมดาเบาๆถ้าปวดเห็นมันปวดเป็นอาการของรูปมันโกรธเห็นมันโกรธเป็นอาการของนามไม่ใช่ความโกรธจริงๆ ความะโยนจริงๆไม่มีเปียงติดเป็นอาการเราไปตูเอาอาการไม่ใช่ตัวใช่ตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปจัจจัยมันก็ไม่ใช่อยู่ที่นั่นตลอดไปเช่นความโกรธอาการเกิดขึ้นมันก็หายไปมีเล่วหายไปเกิดขึ้นแล่วดับไปแต่เราไปถือเอาว่าเป็นตัวเป็นตนถ้าเห็นรูปทาเห็นนามทำแล้วจะไม่มีตัวตน เป็นไปเพื่อทาง อ, อกกระทุกเป็นไปพว่วทุงอเป็นไปเพื่อปัดินิพพานจบนนง่ายง่ายอะไรที่เกิดก็กายกับใจแป 10, ด 1, เป็นสี่พันยาเกตปันห้าตัะหา1 0รอยแปดเห็นเป็นรูปทมนามทมทั้งหมดเห็นแต่การทั้งหมดรูปมันทำดีนามมันทำดีรูปมันทำชั่วนา ม, มันทำชั่วทั้งหมด ใช้รูปใชอนามให้ทำดีแต่ก่อนรูปนามมันใช่เราเพราะเราเห็นเราใช้รูปใชอนามเพราะเราเห็นเราใช้วัตถุเห็นวัตถุอาการวัตถุคือตาคือหูจบูกริ้กายใจเป็นวัตถุภายในวัตถุภายนอกคือรู้โรจินเถียงที่ว่าวัตถุอาการเมื่อมีหูได้ยินก็มีอาการได้ยินในตาเห็นรูปก็มีการเห็นเกิดขึ้น เห็นเป็นรูปทำนามธรรมไม่ใช่ตัวตนตาตาไม่เห็นีะว่าไม่มีวิญญาณ้างตาผมได้เห็นก็ใช่ไม่ได้แต่โกไม่มีกิ่นกายสัมผัสใจคิดไม่เป็นไม่ใช่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวใช่ตนรูปทำนามธรรมมันทำดีทาชั่วรูปทุกข์นาทุกข์มันเป็นทุกข์ หาเจ็เขาหายเจ็บเป็นทุกข์หิวเป็นทุกข์โดยเจอบเจ็บตายเป็นทุกข์ก็ไม่เห็นลูกเห็นนามมีแต่ทุกข์ก็เห็นเล่าเป็นอาการความทุกข์ไม่ใช่ทุกข์จริงๆปรรญาการของลูกของนามอย่างนี้มันบอกไปอย่าเนี่ยลูกมันบอกนามมันบอกไปเนี่ยแต่ความหลวงกายเป็นปัญญาไปอย่างนี้ ได้สูตรได้หลักฐานเหมือนกับพิภาคษาตุลาการพ่งเข้าไปเราเป็นจำเลยของความหลงความโกรธความโลภความทุกข์เมื่อมีหลักฐานเข้าไปไม่มีหลักฐานที่ทำมห้เกิดรูกปกันทุกได้เลื่อนลอยพิภาคษาตุลาการขี้ขาดได้ เดี๋วนี้เกิดเจ็บเจบตายตัดถินใจเราแล้วเราต้องยอมเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความเก็บเรียกว่าตัดฉินเราเป็นจำเลยของพิพากษาเรื่องนี้แบบป่าเถื่อนเมื่อเรามาเห็นแล้วสติสัมชยะเป็นตุลาการเกิดความเป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรม ได้อิสละเป็นอิสละไกลจากข้าศึกอย่างเนี้ที่ภาคสาตุลาการรวมเกิดไม่เป็นทุกข์รวมเจรไม่เป็นทุกข์รวมเจ็บไม่เป็นทุกข์รวมตายไม่เป็นทุกข์สิทธิของเราอย่างเนี้เอทานามไม่เป็นทุกข์ฉนยามไม่เป็นทุกข์สังขารไม่เป็นทุกข์ ถ้าเราไม่เห็นไม่รู้มีแต่ทุกข์ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเมื่อหน้าแล้วทำจะไหนการทำที่ชูแต่งกองทุกข์จะปรากขวดชัดเจเราได้เราจึงอุทิตสละหันตังสมมาสมุทงังออทิศ ต, ตามพระเจ้าทาตามพทธเจ้าพระเจ้าสอนอย่างไรอุทิศไปว่าทำตาม เมื่อเราทำตามจึงรู้อย่างนี้ว่าเอตนาก็ไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเอตนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสิเดียไม่เที่ยงสิเด้ยเป็นทุกข์สิเดียเป็นทุกข์สินั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา เมื่อเรารู้อย่างนี้ในก่อนที่ไปที่ถือว่าเร า, าของเราแต่ก่อนคนไเทีย่ยงเป็นทุกข์สมันทุกข์เป็นทุกข์เรามายเห็นหังจาเราสวดประสูตพุทธิจีนีตีระฆังราคาถาว่าได้ไมตัวตีระฆังราคาถาอีกสิกรอบตองโดนว่าจะกันอย่างไร ได้ไหมเปิดตำราอันธ ร, รมวจังติเลกนันาคาถาโยพนามาสิจักเพรสังคาลาอาาันิจติญาทาปัญญายาปัจติเมื่อใดบุคคลเกิดด้วยปัญญาว่าสงงังขารทางควงไม่เที่ยง อาตานิพพินตาติโตเกะเสมาโกวิสุตติยามานย่อมเหนื่อยหน่อยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่จนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นทางมโอชดจพิสังขาราทุกขาติยาธาปัญญายาปัจติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทางควงเป็นทุกข์อธนเพนตริทุเขอฉะมังควิสุติยาเมื่อนานย่อหน่อยๆในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่สนหลงนอนหละเป็นทางแห่งพระ涅นอันเป็นทางหมดจุดพอพอพอแล้วพอแล้วใช่ไหมทำไมเที่ยงทำไมเป็นทุกข์เราไม่รู้ ก็มาลูแล้วเป็นปัญญาเป็นนิพพานไปเลยเห็นความไม่เที่ยงเป็นนิพพานแต่ก่อนความไม่เที่ยงเป็นทุกข์พอเราดูตามความจริงหนักเป็นนิพพานวงเป็นทุกข์เป็นทุกข์พอมารู่เห็นความเป็นจริงแล้วเป็นนิพพานเปลี่ยนสังขารเป็นวิสังขารเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ลองดูเปลี่ยนหลงเป็นรู้ลองดู ก็ไม่มีก้าวตรงนี้ก็ไม่ถึงที่นั่นเมื่อเวียนมันก็ไม่มีเกิด ม, ม, ม, มีเจ็บมีเจ็บมีตาไม่ตายผู้กมตายไม่เก็บผู้กลมเจ็บไม่ทุกข์ผวมทุกข์เป็นไปได้ในชีวิตเหล่านี้ตึกไว้เตรียมใจก่อนตายเตรียมไว้จะได้รู้วิธีเก็บทาํางวิธีตายทำงางเก็บให้เป็นตายให้เป็น นี่เลย ว, ว่าพระเจ้าตัดจะรู้เรื่องนี้จึงได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าเมื่อสอนคนอื่นลูกตามชื่อว่าสมมาสมพุโทโธได้เพราะเรื่องนี้ไม่ได้วิเศษไปเรื่องอื่นมาเห็นเรื่องนี้ได้ว่าเหนือการเกิดเจเยบตาย เ, าเริ่มต้นไปจากหลงเป็นลูกโกรธเป็นไม่โกรธทุกเป็นไม่ทุกจนเห็นกายเห็นใจ ว่าเป็นรูปทำนามธรรมสัมผัสกับความรู้ของมหลงรสชาติของความทุกข์เป็นไงเห็นมันทุกข์ไม่ทุกข์เป็นยังไงไม่เป็นผู้ทุกข์ขวางทุกข์เป็นยังไงมันจะเปลี่ยนตรงนี้กิจใจเราเปลี่ยนตรงนี้เราจะพูดออกจากปากเราได้แต่ก่อนเราเคยเป็นฉุก ป, น, ปนทุกข์ขวางคิดเป็นฉุกปนทุกข์ขวางคิดโตนี่ไป จะกี่ภพกี่ชาติก็ตามแล้วจะไม่เอากายเอาใจมาเป็นสุขเป็นทุกข์เด็ดขาดเลยอย่างนี้จะว่าได้ไหมออกวาจากหัวใจของเราเนี่ยโตนี้ไปอันที่ว่าทุกข์ที่เกิดเกิดกับใจจะไม่มีอีกแล้วองเทีรรยางค์เชื่อขาดแล้ว เป็นเชือกอยู่ถ้าจะดึงให้มันลากอะไรไปมันไม่ไ่มันขาดตกแก้วเป็นแก้วอยู่แต่มันแตกแล้วจะอาม้ไช่ให้เป็นแก้วมันไม่สําเร็จประโยชน์เวทนาเป็นทุกข์ไม่ทุกข์เพราะเวทนาเป็นทุกข์ไม่ได้เลยเวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สงสารเป็นทุกข์วิญญาณเม็ทุกข์เวทนาไม่เป็นทุกข์ หันยาไม่เป็นทุกข์สังขารไม่เป็นทุกข์วิญญาณไม่เป็นทุกข์โภคไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์ความทุกข์ไม่เป็นทุกข์อย่างเนี้ถ้าบอกตรงก็บอกอย่างเนี้แต่มันทําให้เป็นไปหัดเอาหัดเอาเวลามันโกรธเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเวลามันทุกข์เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ว่าหน้ามือหลังมืออย่างเนี้ที่ว่าปฏิบัติตรงแล้ว ปฏิบัติออกจากทุกข์แล้วปฏิบัติเป็นสถาบันแล้วนี่เรียก ว, ว่าเอียนหลงเป็นลูกเป็นโสดาปฏิมัคืใครเป็นผู้ลูกอย่างนี้คู่แห่งกุหลิจีคู่คือใครพระสงฆ์เกิดจากพระธรรมคือใครมีการปฏิบัติดีเป็นต้นใครปฏิบัติ ไม่ใช่พระสง์เกิดจากกกบชาสองตาเปโวชาเป็นสมมติสงเพราะสงฆ์ที่เป็นสงฆ์ระตนาตายสงฆ์สงฆ์งของพเจ้าที่ขี้บอกว่ามีบุรุษสี่คู่นับเพียงได้8ปบุรุษคือใครบ้างเขาทำอะไรจึงเป็นบุรุษเป็นสงฆ์ขึ้นมาอับเพเยตาแต่ไหปฏิบัติดีปฏิบัตบิตรง ว่าดูชิสุปฏิปันโนภควโตสาวกะสังโฆสงสารบกของพระผู้มีพระภาคเจ้านา่นหมูได้ปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกะสังโฆสงสารบกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูได้ปฏิบัติตรงแล้ว สามีจิปตปฏิปโนปะกวโตาสาวกสาวกสังโฆสงสารของพระภูมิพระภาคเจ้าหมูดอยปฏิบัติรูธธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกแล้วอยู่ที่ไหนเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกเป็นใครเปลี่ยนให้เราคนอื่นช่วยเราได้ไหมเราต้องช่วยตัวเราเองหัดเปลี่ยนหัดเปลี่ยนล้ายเป็นดีเรียกว่าปฏิบัติธรรม ดังนี้เนี่ยเหมือนจริงขนาดไหนอย่าไปเชื่อถ้าเราทําดูก่อนแล้วจึงเชื่อโอ้เป็นอย่างนี้โอ้เป็นอย่างนี้ไปกรมมฐานที่ประจักษคือโอ้โอ้โอเป็นเขาบอกอืมมันหลงอืมมันรู้อืมมันฉุกอืมมันทุกอืม ม, อ ม, ม, อ ม, มันโกรธเออ ม, มันไม่โกรธอืม ไม่มีแปลเออดีเออไม่ดีอย่างนี่ชอบยานี่ไม่ชอบไม่ใช่ไม่ใช่ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติดีงั้นหลงเห็นมันหลงมันรู้เห็นมันรู้ไม่เป็นผู้รู้มันทุกเห็นมันทุกมันสุขเห็นมันสุคมันโกรธเห็นมันโกรธมันรักดีใจเห็นมันรักดีใจ มันเฉืยใจเห็นมันเสียใจไม่ได้ไปอย่างนี้ไม่ได้ไปอย่างนี้อย่างนี้คือเป็นอะไรไม่เป็นอะไรคืออะไรเป็นกลางกลางคืออะไรคือมักมักเป็นกลางอย่างนี้ถ้าดีใจเป็นผู้ดีใจไม่เป็นกลางเสียใจไม่เป็นกลางมาอยู่ตรงนี้เหมือนเช็มอมิเตอร์มิเตอร์เวลามันระวัดมันจะปับขึ้นมา ถ้ามิเตอร์อันไหนมันไปนี่ระหว่างเครื่องชดปล่อยชดมันไม่ขึ้นเหมือนป้อมป้อมมันมีทองแดงอันนี้ก็มีทองแดงมันหมุนบาทีละวฝันสองร้อยรอบถ้าไม่หมุนมาเจี้เนี่ยไม่มันทําไมจะหมุนตัวเนี้ก็ดูดตัวนี้ก็ดูดมันไม่ไปมันหมุนเจวเนี่ยอันภาวะที่เป็นมอเตอร์ถ้ามันไปอย่างนี้ เสร็จเลใช่ไหมได้ถ้ามันสุขใช่ไหมได้ถ้ามันทุกข์ใช่ไหมไดะเป็นไม่เป็ี่ยนมาถ้ามันเป็นอย่างนี้มันเห็นอย่างนี้มันเปีมันทุกข์ไม่เป็นไม่เป็ี่ยนอะไรังไงเอาเน้นท่าอย่างนี้เอาเฉินเฉินเป็นอย่นี้เขาเน้นท่าเฉินเฉินลูกลูกเห็นไม่เปลี่นนั่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ใจเรานี่ยทุกคนนําได้อี่ก็พูดตรงตรงแบบเนี้ ไม่ยากอย่าชิดหนักง่ายง่ายมือลองยกมือขึ้นมีหลังมือไหมมีหน้ามือไหมถ้าหลงเหมือนควบมือเมื่อหลงไหามือเหมือมนกระจกเก่าทางนี้จะโกงเก่าเหมือนส่องเหมือนบดิบมองตนถ้าหลงส่องได้ไหมหลังหน้ากระจกไม่เห็นถ้าลูก ไม่หลงเห็นเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงบัณฑิตมองต้นอย่างนี้คนพานมองคนอื่นคุณไม่ดีเราดีไม่ใช่บัณฑิตมองมหาตัวหลวงคนพานมองไปข้างนอกเราจึงฝึกตนสอนตนเต็มที่ไม่ต้องไปทําอะไรอยู่ที่เนี่ยไม่ต้องไปคิดว่าจะคิดอะไร ใช้คิดยังไงโศตรองโดคงไม่ไตายนะถ้า จ, จะตายเรื่องอะไรเจบไม่สะดวกเรื่องไหนบอกอาจารย์ตุม้มอจารย์โนดอาจารย์ทองศิลน้องตาไม่มีเรียวไมแรงู้มีเรียเร้ยวไมแรงอนะหลายโรคเพราะนั้นวันนี้ <laughs> ไม่เดบอยู่นี่หลายวันยัองอยากจะบอก เวลานี้ขยันบอกเหมือนก็จะตายไปแล้วฆ้าไม่ได้ไม่รู้วันนี้ชาติหน้าคุณจะรู้ว่าแต่มีคนบอกจย่างนี้เมื่อมันหลงไม่หลงเมื่อมันโกรธไม่โกรธ ม, มีจริงๆเมื่อมันทุกข์ไม่ทุกข์มีจริงๆไม่เป็นทุกข์ผมทุกข์มีจริงๆไม่ได้โกรธเพราะผมโกรธมีจริงๆในโลกเนี้แล้นก็เป็นอย่างนี้ตรงกันอย่างนี้ปฏิบัติตรงแบบนี้